มาเรียนหนังสือที่บางกอกวิถีชีวิตของหนุ่มเจริญก็เปลี่ยนไปเขาไม่ต้องทำงานหนักเช่นแต่ก่อนจึงมีเวลาสำหรับการเรียนมากขึ้นสมัยเมื่ออยู่กับยายต้องตื่นนอนก่อนสี่นาฬิกาเพื่อหาผักและผลไม้ไปขายอย่างตลาดบางขามตอนบ่ายไปเรียนดนตรีไทยก็ต้องตักน้ำแลกวิชาครั้งละไม่ต่ำกว่า2ีสบหบ บัดนี้เขาสุขสบายขึ้นหากยังคงตื่นนอนตั้งแต่ตีสีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วจากนั้นก็ช่วยคุณสายใจทําอาหารโดยมีแม่วาดและพวกสาวๆเป็นลูกมือสนยนคุณประพ์กับลูกสาวคุณสายจิตไม่มีใครย่างกรายเข้ามาในครวัวเพราะถูกเลี้ยงมาแบบลูกเจ้าขุนมูลนาย ผลการสอบเป็นยังไงบ้างลูกคุณสายใจถามหลานชายขณะช่วยกันเตรียมทำอาหารมื้อเช้าผ่านครับคุณป้าผมสอบได้ตั้ง 70% เอร์เซนไม่เคยได้คะแนนมากเท่านี้มาก่อนเลยครับและเพื่นอนผมโคตอเจริญละ่ะคนที่อยู่วัดสะเกตน่ะคุณกันเชียงหรือครับเขาได้ 60% สเปอร์เซนตตอนเรียนอยู่บ้านนอกเขาสอบตกเป็นประจำ คงไม่จำเป็นต้องย้ำว่าตัวเขาก็ตกซ้ำชันอยู่บ่อยๆแสดงว่าเขาก็เรียนดีขึ้นครับแต่พูดก็พูดเถอะเจ้าเพื่อนผมคนนี้เขาซื่อจนเสอร์เลยครับคุณป้าสมัยเมื่อเรียนชั้นประถมด้วยกันครูก็สอนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเราก็ลอกจากกระดานลงสมุดครูเขียนบนกระดานดําว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นช้างมา้า วัวควายเป็นต้นพวกเราก็ลอกตามถึงเวลาสอบครูออกข้อสอบชนิดให้เติมคําลงในช่องว่างข้อสอบออกมาว่าช้างม้าวัวควายเป็นถ้าคุณป้าเป็นนักเรียนคุณป้าจะเติมอะไรลงไปครับหลานชายถามเติมสัตว์มีกระดูกสันหลังน่ะสิครับผมก็เติมอย่างนั้นแต่คุณกันเชียงเขาเติมอะไรคุณป้าอยากทราบไหมครับ เขาเติมอะไรลงไปละ่ะคุณสายใจถามรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้คุยกับหลานชายอย่างน้อยก็ทำให้ลืมความทุกข์ได้ชั่วครู่ชั่วยามเขาเติมคำว่าต้นลงไปครับคำตอบจึงออกมาว่าช้างมา้าอัวควายเป็นต้นคราวนี้คุณสายใจหัวเราะเพราะขำผมก็บอกว่าเขาตอบผิดเขาก็เถียงแล้วก็นำสมุดที่จดไว้มาเปิดให้ดูบอกนี่ไงนี่ไง สัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นช้างมา้าวัวควายเป็นต้นผมพยายามอธิบายเขาก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่แบงอยู่นั่นแล้วว่าของเขาถูกในที่สุดเลยต้องไปให้ครูที่สอนเป็นผู้ตัดสินแล้วครูเขาตัดสินว่ายังไงล่ะครูบอกว่าตอบอย่างเธอนะ่ค้นตอบแต่ตอบอย่างเด็กใช้กันเชียงควายตอบครูพูดอย่างนี้ครับแหมครูของพ่อเจริญช่างตอบได้ถึงใจจริงๆ แล้วเพื่อนว่ายัางไงบ้างคุณใส่ใจซักอย่างรู้สึกสนุกโกรธหัวฟัดหัวเวงเลยครับเขาบอกอุตส่าห์ตอบตามที่ครูสอนยังมาหาว่าเขาเป็นควายหลานชายพูดชดชดจุดมุ่งหมายคือให้พี่สาวของบิดาคลายทุกข์แม่วาดและพวกสาวๆช่วยกันยกอาหารออกมาตั้งโตะ๊ะหนุ่มน้อยจึงกระซิบถามผู้เป็นป้าคุณป้าครับคุณป้าสวดมนต์ทุกคืน อย่างที่หลวงตาของผมท่านแนะนำหรือเปล่าครับคุณสายใจน่าสลดลงนิดหนึ่งตอบว่าก็สวดทุกคืนนั่นแหละแต่ตอนแผ่เมตตามันแผ่ไม่ออกป้าไม่รู้จะทำยังไงคุณป้าอโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาหรือเปล่าครับถ้าหากไม่อโหสิกรรมก็แผ่ไม่ออกป้าก็ทําอย่างที่บอกนั่นแหละแต่พอคิดว่า เขาทำให้ป้าต้องช้ำใจก็เลยแช่งชักหักกระดูกทั้งสองคนเลยคราวนี้คุณสายใจร้องไห้เพราะความแค้นแน่นอกคุณป้าต้องฝืนใจให้ได้นะครับคุณยายสอนผมอยู่เสมอว่าการทำความดีต้องฝืนใจถ้าฝืนใจได้จึงจะดีได้อย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับผมอยากเห็นคุณป้ามีความสุขจึงอยากจะพูดตรงๆว่าคนเราบางครั้ง ต้องทุกข์ระทมเพราะทิฏฐิของตัวเองถ้าเราลดทิฏฐิลงบ้างความทุกข์ก็จะลดน้อยลงดูอย่างคนยากสิครับท่านมีความสุขเพราะไม่เป็นคนเจ้าทิฏฐิขอให้เชื่อผมสักครั้งจะป้าขอบใจแล้วก็จะพยายามทำให้ได้พ่อเจริญต้องคอยเตือนสติป้าด้วยนะครับผมหลานชายรับคำหนักแน่นพอดีกับแม่วาดเดินเข้ามา คุณสายใจใช้หลังมือปาดน้ำตาโดยไม่ต้องการให้แม่บ้านรู้ว่าตนร้องไห้คุณป้าครับเย็นนี้ผมจะแสดงฝีมือตำน้ำพริกปลาร้นะครับเชิญเลยจ้ะกําลังนึกอยู่เหมือนกันครั้งแรกที่พ่อเจริญทำให้ทานป้ายังติดใจไม่หายว่าจะบอกให้ทำอีกก็ลืมซะได้เป็นอันว่าป้าจะเตรียมเครื่องไว้ให้พร้อมกลับจากโรงเรียนค่อยมาว่ากัน เอาละไปล้างมือล้างไม้เตรียมรับประทานอาหารกันได้แล้วคุณเจริญออกไปแล้วแม่วาดจึงพูดขึ้นว่าคุณเจริญเธอน่ารักนะเจ้าคะแถมยังขยันขันแข็งอุตส่าห์มาช่วยคุณป้าทํากับข้าวทุกวันเขาเรียนเก่งด้วยนะเห็นว่าสอบได้ตั้งเจเปอร์เซนอย่างนั้นหรือเจ้าคะแบบนี้ต้องยกความดีให้คุณประพ์ครึ่งหนึ่ง เพราะอีชั้นเห็นคุณประพจน์เธอช่วยกวดวิชาให้ตั้งแต่มีคุณเจริญมาอยู่ด้วยคุณประพจน์เธอดูมีความสุขขึ้นมากคุณสายใจสังเกตไหมเจ้าคะก็สังเกตอยู่เหมือนกันและตัวฉันเองก็รู้สึกว่าความทุกข์มันลดน้อยลงคงเป็นบุญของฉันกับลูกนะแม่วาดเจ้าคะ่ะแล้วก็เป็นบุญของคุณเจริญด้วยที่ทุกคนในบ้านรักและเมตตาเธอเอาละ่ะประเดี๋ยวแม่วาดจัดการล้างข้าวของเก็บได้แล้ว ฉันจะไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่และพวกเด็กๆเกชิญเจ้าค่ะทางนี้เดี๋ยวอีฉันจัดการเองรับประทานอาหารเช้าแล้วพวกเด็กๆ ก, ก็พากันไปโรงเรียนโดยมีนายแรมขับเรือไปส่งคุณสายใจเข้าห้องพระสวดมนต์ปกติเธอจะสวดมนต์เฉพาะตอนก่อนนอนวันใดง่วงมากก็จะละเลยเสีย ครั้นเมื่อหลานชายแนะนำเธอก็หันมาสวดมนต์วันละสองเวลาแล้วก็รู้สึกด้วยตนเองว่าจิตใจสงบและเยือกเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อนวันโกนวันพระพวกเด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนบ้านสามกระไดดูคึกคักกว่าทุกวันเพราะพวกเด็กรุ่นหนุ่มสาวทั้งเจดจะพากันลงเล่นน้ำในคลองบ้างเข้าไปเล่นซ่อนหากันในสวนผลไม้บ้าง บางครั้งก็ส่งเสิงทะเละเบาะแหว้งกันตามประษาโดยเฉพาะคุณประพ์กับคู่แฝดนั้นดูจะไม่กินเส้นกันเสีเลยทั้งที่ใจจริงยังรักกันฉันพี่น้องคุณสายใจจะเพลิดเพลินกับการเตรียมอาหารเลี้ยงคนในบ้านพยายามหาอาหารรสแปลกๆที่พวกเขาไม่เคยรับประทานมาก่อนหลวงธารากับคุณหญิงห่วงมีความสุขกับการเฝ้าดูความเจริญเติบโตของหลานหลาน จะทุกข์อยู่บ้างก็เรื่องที่บุตรสาวคนโตถูกสามีทอดทิ้งเพราะไปติดใจไหลหลงผู้หญิงคนใหม่กระนั้นคุณหลวงกับคุณหญิงก็ไม่ได้คิดลงโทษหรือโกรธเคืองบุรเขยเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ย่อมผิดพลาดหลงทางกันได้วันใดที่เกิดความสำนึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาเขาก็คงจะกลับมงอเง้อ ขอคืนดีกับบุตรสาวของท่านเองและเมื่อนั้นครอบครัวของพ่อประพ์ก็จะได้มีความสุขพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกันเสียทีหลังอาหารกลางวันคุณประพ์กับสาวๆทั้งห้าต่างแยกย้ายกันเข้าห้องไปพักผ่อนหลับนอนเพื่อจะตื่นขึ้นมาสนุกสนานกันอีกคุณเจริญซึ่งถูกคุณยายสอนมาไม่ให้นอนกลางวันจึงถือโอกาสเข้าไปหาคุณหลวง เพื่อสนทนาเรื่องดนตรีไทยหลวงทาราภาหลานชายเข้าไปยังห้องกว้างที่อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นห้องที่ท่านเก็บเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะหนุ่มน้อยเห็นเครื่องดนตรีเหล่านั้นก็ตาโตอุทานว่าโอ้โหคุณปู่มีครบเครื่องเลยผมคิดว่ามีแต่ระนาดเสอีกแบบนี้ตั้งวงได้เลยนะครับเมื่อก่อนก็เคยตั้งวงเล่นกันแต่ตอนนี้ คนเล่นพากันล้มหายตายจากไปเกือบหมดมีแต่ปูคนเดียวมั่งที่อายุยืนกว่าเพื่อนเครื่องดนตรีปูมีครบทุกอย่างทั้งเครื่องดีดสีตีเป่าพอเจริญมีความรู้เรื่องดนตรีไทยหรือเปล่าเคยเรียนมาบ้างไหมไม่เคยครับครูสมใจสอนผมตีรนาดส่วนพวกสีซอตีขิมดีดแค่ขผมหัดเองพอเล่นได้ครับ แต่ไม่ถนัดเท่าตีระนาดเอาละไหนๆปู่ก็จะยกเครื่องดนตรีเหล่านี้ให้เป็นมรดกของพ่อเจริญแล้วจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยเข้าไว้บ้างอยากรู้หรือเปล่าถ้าไม่อยากรู้ปู่ก็จะไม่สอนประดี๋ย์จะมาหาว่าปู่บังคับขู่เข้นอยากครับคุณปู่กรุณาสอนผมด้วยเถอะครับ หลานชายอ้อนวอนถ้าเช่นนั้นก็เริ่มกันที่วงดนตรีไทยเสีก่อนหนตอบปูมาสิว่าวงดนตรีไทยที่ถือเป็นแบบแผนบันเลงกันอยู่ในปัจจุบันมีกี่ชนิดสามชนิดครับตอบอย่างไม่ลังเลทั้งที่ไม่แน่ใจว่าจะถูกอ้าวก่อนไหนว่าไม่มีความรู้แล้วทำไมตอบถูกละ่ะ ผมเพียงแต่เดาถูกเท่านั้นเองครับหนุ่มน้อยสารภาพถ้าเช่นนั้นก็ลองเดาต่อสิว่าวงดนตรีไทยสามชนิดที่ว่านั้นมีอะไรบ้างไม่ทราบครับแต่ถ้าเดาผมคิดว่าจะต้องมีวงปี่พาดอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณปู่โถกแล้วมีวงปี่พาดวงเครื่องสายแล้วก็วงมหโหรทั้งสามชนิดนี้ก็ยังแยกย่อยออกไปอีกเช่น วงปีพาทยังแบ่งออกเป็นสขนาดตามปริมาณของเครื่องผสมที่อยู่ในวงได้แก่ปีพาดเครื่องห้าปีพาดเครื่องโคและปีพาดเครื่องใหญ่ที่ปูมีอยู่นี้เป็นปีพาดเครื่องโคประกอบด้วยเครื่องบันเลงเจ็ดชนิดได้แก่ไปนอกไปในระนาดเอกระนาดทมุมของวงใหญ่ของวงเล็กและโมง แล้วปีพาดดึกดำบรร์ไม่นับรวมด้วยหรือครับไม่นับคือวงปีพาดที่เป็นหลักของไทยมีอยู่สามขนาดที่กล่าวมานี้เท่านั้นส่วนปีพาดดึกดำบรร์เป็นวงปีพาดที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริสราณุวัติวงกับมอมราชวงศ์หลานกุลชรทรงคิดประสมขึ้นใหม่สำหรับใช้ประกอบการแสดงละครดึกดำบรร์ โดยทรงเลือกใช้แต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลจึงเป็นวงปีพาธที่มีความไพเราะน่าฟังเหมาะสำหรับการแสดงละครและได้รับการขนานนามว่าปีพาธดึกดำบรรพ์และวงเครื่องสายคืออะไรครับคือวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำพวกมีสายเป็นประธานมีเครื่องเป่าและเครื่องตีเป็นส่วนประกอบ วงเครื่องสายมีสองขนาดคือเครื่องสายวงเล็กกับเครื่องสายเครื่องคู่เครื่องสายวงเล็กประกอบด้วยเครื่องดนตรีกี่อย่างครับเจ็ดอย่างไดแกโซโอซอดวงเดเคครุยเพียงอโอนรัมนาและชิงส่วนเครื่องสายเครื่องคู่ใช้เครื่องดนตรีอย่างเดียวกับเครื่องสายวงเล็กเพียงแต่เพิ่มซออ สอดวงจะเคให้เป็นอย่างละสองและคลุยที่จะเพิ่มต้องเป็นคลุยลิบซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่เสียงสูงกว่าคลุยเพียง อ, อและ ว, วงมโหรีมีกี่ขนาดครับปูให้อดจเจริญดาวอีกก่อนแล้วกันสามขนาดใช่ไหมครับถูกต้องวงมโหรีเป็นวงดนตรีไทยที่ผสมระหว่างวงปี่พาด กับวงเครื่องสายโดยย่อขนาดเครื่องดนตรีของวงปีพาดให้เล็กลงเพิ่มเสียงให้แหลมเล็กขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับต้นเสียงวงเครื่องสายและตัดเครื่องดนตรีบางอย่างในวงปีพาดที่ทำหน้าที่ซ้ำกับของวงเครื่องสายออกเพิ่มเครื่องดนตรีที่ไม่มีในวงปีพาดและวงเครื่องสายคือซอสามสายเข้ามาวงมโหรี มีสมขนาดคือมหรีวงเล็กมหรีเครื่องโคและมหรีเครื่องใหญ่ที่ปูมีเป็นวงเล็กมีเครื่องดนตรีกี่ชนิดครับไม่อยู่สิบชนิดถ้าเครื่องโคมี15ห้าและเครื่องใหญ่มีส7เจนันไงอยู่ในตู้นันไหนลองบอกปูมาสิว่ามีอะไรบ้างหนุ่มน้อยเดินเข้าไปใกล้ตู้ไหม้ขัดเงามันปราบ ที่ใช้ใส่เครื่องดนตรีประเภทวงมหรีแล้วจรรนัยให้คุณหลวงฟังว่ามีซอด้วงซออู้ซอสามสายจักเข้คลุยเพียง อ, อชิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมนับได้แค่หกเองครับอีกสี่ชนิดไม่ทราบอยู่ที่ไหนนั่นไงวางอยู่บนพื้นมีผ้ากำมะหยี่คลุมอยู่นั่น สีชนิดที่เหลือได้แก่ระนาดเอกคองกลางโพนและ ร, รัมนาผมอยากเล่นเป็นทุกชนิดเลยคุณปู่จะกรุณาสอนผมได้ไหมครับหนุ่มน้อยถามอย่างสนใจปู่แก่เกินไปแล้วมือไม้มันเริ่มจะสันส่นๆจึงเล่นได้ไม่ไพเราะเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้าอดเจริญอยากเรียนจริงๆ ก็จะส่งไปเรียนกับโครจำนงเขาสอนได้ทุกอย่างโดยเฉพาะระนาดอยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับก็ไกลเหมือนกันบ้านเขาอยู่ในสวนเข้าไปทางหลังวัดตโนดจะไปกันเย็นนี้เลยก็ได้ฟังผู้เป็นปู่พูดหนุ่มน้อยแสนจะดีใจรีบสนองว่าดีครับผมอยากเรียนเร็วๆขอบพระคุณคุณปู่มากครับที่เมตตาผมถ้าเช่นนั้น ผมไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะครับหลานชายติดจะใจร้อนยังไม่ต้องไปตอนนี้ก็ได้รอให้ตะวันคล้อยอีกนิดให้ปู่งีบเอาแรงสักพักเพราะต้องเดินไกลบ้านเขาอยู่ลึกเข้าไปในสวนถ้าเช่นนั้นขอเชิญคุณปูไ่ไปพักผ่อนเถอะครับส่วนผมจะเตรียมจัดดอกไม้ทุบเทียนเพื่อขึ้นครูดีจริงหลานปู่ช่างรอบขอบดีแท้ ให้แม่ใสยใจกับแม่วาดขอเย็บกรวยให้ก็ได้ผู้ชายคงไม่ถนัดเรื่องนี้กระมังไม่เป็นไรครับคุณยายสอนผมตั้งแต่เป็นเด็กเพราะที่บ้านมีเทศมหาชาติบ่อยแล้วผมก็ช่วยคุณยายเย็บกรวยและบายสีจัดเทศมหาชาติที่บ้านเลยหรือคุณหลวงออกแปลกใจเพราะที่ฝั่งทนและบางกอกเขานิยมจัดกันที่วัดครับคุณปู่ คุณยายนิมนพระมาเทศมหาชาติที่บ้านปีละสองหนครับแล้วก็บังคับลูกหลานให้มาฟังหลานคนไหนโซนคุณยายก็จะผูกขาล่ามไว้กับเสาเป็นการบังคับให้ฟังก็ดีนะบังคับให้คนทําความดีนั้นไม่บาปกลับจะได้บุญเสีเอีกฟังฟังดูแล้วปู่ว่าคุณยายของพ่อเจริญคงจะเป็นคนมีวาสนาบา ร, รมีไม่น้อยทีเดียว ครับผมก็คิดอย่างนั้นคุณยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยแล้วก็ไปถืออุโบสถศีลที่วัดทุกวันพระนอนค้างที่วัดด้วยเพิ่งจะหยุดไปช่วงที่อายุมากผมหมายถึงหยุดไปค้างที่วัดนะครับแต่คุณยายก็ยังไปทําบุญทุกวันพระเช่นที่เคยทําตอนเช้าผมจะเป็นคนหาของไปส่งท่านที่วัดตกเย็นก็รีบรับกลับดีจริง ในเมื่อพอดเจริญมาเรียนที่บางก อ, อกเสแล้วใครจะทำหน้าที่แทนละ่ะพี่สาวผมครับที่จำแรงแต่ผมก็ยังห่วงอยู่เหมือนกันว่าเขาจะปรนนิบัติคุณยายได้ดีเท่าผมหรือเปล่านุ่มน้อยยังกังวลอย่าได้ห่วงไปเลยปู่ว่าเขาอาจจะทำได้ดีกว่าพอดเจริญเสีเ อ, อีกผู้หญิงน่ะเขารอบขอบกว่าผู้ชายเอ แต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะดูอย่างลูกสาวแม่สายจิตนั่นปะไรไม่เห็นได้เรื่องสักคนการบ้านการเรือนก็ไม่เอาทานแต่ปู่ก็ไม่โทษเด็กหรอกเพราะมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงอยู่ปู่เลี้ยงพวกเขาแบบลูกเจา้าขุนมูลนายก็เลยทําอะไรไม่เป็นกันคิดว่าก่อนออกเยาวออกเรือนคงจะต้องจับมาอบรมเป็นการใหญ่ ไม่ฉันั้นฝ่ายชายเขาจะตำหนิเอาได้ผู้หญิงจะต้องเก่งเรื่องการบ้านการเรือนไม่ใช่มาวิ่งเล่นโครมโครมเป็นลิงทำมนอย่างสาวสาวบ้านนี้บางทีปู่ก็รู้สึกอิดนาระอาใจเหมือนกันผมว่าคงเป็นไปตามยุคสมัยนะครับคุณปู่อย่างพวกพี่ๆของผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องการบ้านการเรือนสักเท่าไหร่แล้วก็สนจนคุณยายเรียกว่าฝูงลิง ตอนพวกเขาเด็กๆคุณแม่ผมต้องเหน็ดเหนื่อยมากกับการดูแลลิงทั้งฝูงพอโตขึ้นก็ดูเรียบร้อยดีและที่แต่งงานออกเรือนไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับหนุ่มน้อยเล่าเรื่องราวของพวกพี่ๆให้หลวงทาราฟังพอเจารินมีพี่กี่คนนะปู่ทักจะลืมลืมเกคนครับผมเป็นคนที่สิบและเป็นลูกชายคนเดียวแต่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ คุณยายไปขอมาเลี้ยงตั้งแต่ผมอายุได้หกขวบนับว่าโชคดีแล้วที่ได้มาอยู่กับคุณยายมิฉะนั้นพอเจริญอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะพวกเพื่อ น, อนผมที่มีแต่พี่สาวมักจะกลายเป็นกระเทยนั่นสิแรกๆปู่ก็ห่วงพ่อประพ์เขาอยู่เหมือนกันเพราะอยู่แต่กับผู้หญิง แล้วตัวเขาเองก็ไม่มีพอ่อนับเป็นบุญของเขาที่ยังครองตัวเป็นบุรุษเพศอยู่ได้ปู่ว่าอะไรอะไรก่อนนี้ไม่พ้นเรื่องกรรมหรอกนะพ่อประพน์เขาไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นกระเทยเขาก็ไม่เป็นถึงพอเจริญกอเธอหากมีกรรมที่จะต้องเป็นต่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆก็ต้องเป็นจนได้ ที่ปูพูดมานี่ถูกต้องไหมถูกต้องที่สุดเลยครับหนุ่มน้อยพูดเพื่อเอาใจผู้เป็นปูใช้มากกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่าเวรกรรมมีจริง